ข้อสี่สำเนียกรู้ช่องว่างระหว่างกรอบมือหากจับรู้อยู่ที่ปลายนิ้วชนกันและฝ่ามือสองข้างเช่นนี้ครูหนึ่งจะรู้สึกถึงโพรงว่างระหว่างมือขึ้นมาเองให้จําไว้ว่าเราเริ่มเห็นโพรงขึ้นมาได้อย่างไรคือแค่กําหนดสติไว้ที่จุดสัมผัสระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้งกับความรู้สึกที่ฝ่ามือว่างๆนั่นเองขอให้สํารวจด้วยว่าจะต้อง ไม่มีส่วนใดของกายยำเกรงขออภัยค่ะไม่มีส่วนใดของกายกรรมเกรงหน้าที่ทั้งหมดคือล็อกความรู้ไว้กับโรงว่างระหว่างมือเท่านั้นหากจิตกระโดดไปกระโดดมาจับรู้ถึงลมหายใจเองก็อาจรวบช่องว่างกับลมหายใจเข้าไว้ได้วยกันกล่าวคือ เมื่อทราบภาวะช่องว่างระหว่างมือแล้วให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ลืมช่องว่างแบบนั้นขณะหายใจออกเราจะไม่ลืมช่องว่างแบบนั้นขณะหายใจเข้าหากนับลมออกและเข้าได้สิบชุดโดยไม่ลืมช่องว่างเลยก็จะได้เริ่มรู้สึกถึงความตั้งมั่นมีอาการรู้ช่องว่างชัดแต่ถ้าจิตกระโดดไปกระโดดมาระหว่างช่องว่างกับลมหายใจอยู่อีก ก็ให้ยึดเอาช่องว่างไว้เป็นหลักก่อนเนื่องจากเราจะฝึกอากาศกสินความรู้สึกภายในจะมืดหรือสว่างยังไม่ต้องสนใจสนใจเพียงแค่ให้จิตจ่ออยู่กับโลงว่างได้เท่านั้นการอาศัยลมช่วยเป็นเพียงหน่วยอ้างอิงหนึ่งที่บอกว่าเรายัางรู้ช่องว่างทุกๆลมหายใจเข้าออกข้อห้า ฝึกขยายขอบเขตช่องว่างเมื่อสามารถหน่วงรักษาความรู้สึกในช่องว่างได้บ้างแล้วอย่างน้อยสักอึดใจหนึ่งหรืออาจวัดระยะด้วยลมหายใจสิครั้งให้ช่องว่างระหว่างมือเป็นศูนย์กลางการกำหนดรู้แล้วน้อมสําเนียกว่าภายในปากเรามีช่องว่างแบบเดียวกันนั้นอยู่เมื่อเห็นจริง จนเกิดความรู้สึกถึงโพรงว่างในช่องปากก็ให้น้อมสำเนีจอีกระหว่างซี่โครงในร่างเราเพื่อเป็นโพรงอย่างนี้เช่นกันเป็นลักษณะอันว่างเดียวกันเสมอกันหมดทำแต่ละจุดจนแน่ใจว่ารู้สึกถึงโพรงว่างณนะจุดนั้นๆได้นานพอดีที่จิตตั้งมั่นพอสมควรอยาากระโดดไปกระโดดมาเพราะว่าจะไม่ได้ผลอะไรเลย หากทำอย่างถูกต้องความว่างจะเหมือนขยายขอบเขตไปเรื่อยๆโปรดจงไว้ว่าการพัฒนาขั้นสำคัญที่สุดของอากาศกระสินก็คือการรุกคืบเข้ามาเห็นช่องว่างภายในกายเป็นหลักข้อที่6สลับเดินจงกรมช่วยจิตที่เป็นสมาธิจากอากาศกสินนั้นมีลักษณะนิ่งสบายสงบสุข ถ้าหากบวกความติดใจด้วยแล้วจิตจะเฉยชาลงจำเป็นจะต้องฝึกให้มีความตื่นตัวบ้างคือนอกจากสร้างสติขณะนิ่งแล้วต้องสร้างสติขณะเคลื่อนไหวพร้อมไปด้วยจึงครบวงจรสร้างสมคุณภาพจิตอย่างแท้จริงดังที่เคยกล่าวแล้วแต่บทต้นๆเมื่อล้าจากการกําหนดอากาศกสินหรือจิตใจ ปิดทึบจนเกินกว่าจะ ก, กําหนดอากาศต่อได้ก็ให้ลุกขึ้นเดินจมกลมจะพบว่ารู้เท้ากระทบได้ชัดกว่าที่เคยมากซึ่งเมื่อมีสติอยู่กับเท้ากระทบไปเรื่อยนานเข้าก็รู้สึกถึงสติและสัมปชัญญะที่เติบโตแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่รู้ตัวทั่วพร้อมแต่อาจหนักหๆอยู่บ้างตามธรรมดาที่ใช้งาน กายนานๆก็จะกลับลงมานั่งกำหนดอากาศกสินใหม่เป็นการเติมแรงจากธรรมชาติของจิตอันสงบสุขส่วนของร่างกายสลับลุกขึ้นมาเดินจงกรมนี้สำคัญมากหากใครละเลยก็จะเห็นผลภาวนาโดยรวมช้าแต่หากใครปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็จะพบผลภาวนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดสติครบวงจร น, นั่นเอง ในช่วงต้นๆของการฝึกอย่าทำอากาศกระสินหรือเดินจมกลมอย่างใดอย่างหนึ่งให้นานนะักทำเท่าที่มีความสุขความพอใจอันเป็นเครื่องสะท้อนความพอดีบางคนพยายามนั่งเพ่งอย่างไร้ผล ก็จะทำให้เบื่อนายและอยากเลิกราในครั้งสองครั้งแทนที่จะสำเร็จผลในวันสองวันวิธีฝึกอากาศกระสินขั้นกลางเกณฑ์วัดง่ายๆควรเริ่มฝึกขั้นกลางก็คือความตั้งมั่นของใสของจิตซึ่งจะเห็นช่องว่างชัดราวกับจิตเป็นช่องว่างใชเองเรียกว่ารู้เสมอกับช่องว่างในเขตจากัด หรืออาจจะพบว่าจิตมีความสามารถอุ้มอารมณ์นิ่งได้นานขึ้นตามใจปรารถนาบางทีอาจหลายนาทีบางทีจะอาจหนวงไว้ได้ถึงครึ่งชั่วโมงเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบอกว่าสามารถขยับขึ้นมาฝึกในระดับกลางได้แล้ว 1. กำหนดความว่างระดับห้องให้ลืมตาขึ้นทอดมองที่ห้องด้วยสายตาตรง จำห่วงระหว่างสายตากับผนังห้องไว้ปิดตาลงและนึกถึงความว่างตรงหน้าโดยไม่ต้องทํารูปมือใดๆอีกต่อไปหากจำได้ถนัดแปล ว, ว่าจิตมีความสามารถหน่วงความว่างได้ดีขึ้นจริงให้ลองย่อช่วงว่างลงมาสู่ขนาดที่ต้องการด้วยความสบายไม่เครียดไม่เกรงไม่ขมวดคิ้ว ไม่รู้สึกถึงปฏิกิริยาใดๆทางกายเห็นเป็นอาการและความสามารถของจิตยอย่างเดียวเหมือนตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับประสาทตาได้สิ้นเชิงเมื่อย่อดได้ดันใจก็ลองขยายดูขนาดเท่าห้องเหมือนเดิมโดยไม่มีโดยมีขอบเขตว่างคมชัดถ้าทาไปโดยกลับโดยไม่ติดขัด ทำไปทำกลับโดยไม่ติดขัดก็เป็นอันผ่านข้อนี้สำเร็จข้อที่สองกำหนดแผ่จิตไปตามทิศต่างๆ ต, ตามหลักการฝึกอากาศกะสินของพระพุทธองค์นั้นท่านจะให้กำหนดอารมณ์กะสินไปยังทิศต่างๆอย่างไม่มีประมาณเช่นในกะสินสูตรและมหาส ก, กุลุทายิสูตรก็มีความว่า ผู้หย่อมรู้ชัดถึงอากาศกระสินทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงในทิศน้อยทิศใหญ่หาประมาณไม่ได้การฝึกที่ผ่านมานั้นจะใช้น้ำหนักไปในทางทิศเบื้องหน้าซึ่งยังไม่ครอบครุมการแผ่กสินออกไปทางต่างๆได้ครบทุกทิศ ต, ตามที่พระพุทธองค์ทรงประทานแนวไว้การกําหนดอากาศ ออกได้ทุกทิศจะทำให้เกิดสติรู้อย่างใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีไม่เก็บอัดอยู่ในที่มีประโยชน์มหาศาลอันจะรู้ได้เฉพาะตนต่อไปเริ่มต้นให้กำหนดความรู้สึกไว้ที่หัวไหลด้านขวากับวัตถุใกล้ๆที่อยู่ทางทิศนั้นเช่นอาจเป็นผนังห้องกำหนดให้เหมือนมีความสัมพันธ์ระหว่างไหล่ไหลเรา กับวัตถุระวังไม่ให้สายตาเหลือแปลตามอาการนึกโดยยังไม่ต้องกำหนดรู้ช่องว่างพ่อจิตทราบขอบเขตระหว่างไหลกับผนังความหมายรู้ในช่องว่างอันมีอยู่แล้วเป็นทุนก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเมื่อเห็นว่าจิตสามารถคงความรู้ช่องว่างด้านขวามือได้ชัดแล้ว ให้ทำอย่างเดียวกับทางทิศซ้ายมือเป็นลำดับต่อมาสังเกตว่าอาจจะมีน้ำหนักเทไปทางทิศเดียวกันแขนข้างที่ถนัดเขียนหนังสือถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะปรับให้ได้ดุลโดยการฝึกรู้ช่องว่างในทิศ ต, ตรงข้ามกับทิศถนัดเป็นสองเท่าเมื่อฝึกทั้งซ้ายและขวาจำนานก็ให้ลองกำหนดแพร่ซ้ายขวาพร้อมกันจากนั้นจึงฝึก แผ่ทางทิศเบื้องหลังเริ่มต้นให้อาศัยความรู้สึกในแผ่นหลังแล้วนึกถึงวัตถุสักชิ้นหนึ่งเช่นผนังระยะใกล้นึกเฉยโดยไม่ต้องกำหนดความเป็นช่องว่างเมื่อแน่ใจแล้วว่านึกเป็นก็จะเกิดความหมายรู้ช่องว่างขึ้นมาเองจากนั้นให้กำหนดช่องว่างทางทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องเฉียง้วยอุบายเดียวกัน จะพบว่าง่ายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้วสามารถกำหนดช่องว่างครอบคลุมทุกทิศพร้อมกันเหมือนเป็นสรงกลมที่มีสติรู้ของเราตั้งมั่นอยู่ตรงกลางปราศจากความยินดียินร้ายครอบงำกำหนดความว่างระหว่างสุดขอบฟ้าข้อนี้อาจจะทาระหว่างฝึกข้อสองคือไม่จำเป็นจะต้องฝึก ข้อสองให้สำเร็จบริบูรณ์ใส่ก่อนให้ยืนที่ระเบียงหรือประนาบสูงใดๆที่จะเป็นที่จะเห็นสุดขอบฟ้าถนัดหากหาทำเลสะดวกไม่ได้ก็เหงื่อยหน้าขึ้นกำหนดห่วงว่างจากตัวเราถึงสุดยอดสุดยอดฟ้าหลับตาลงหากสามารถรู้ความว่างประมาณนั้นได้นาน จนเกิดความผ่องใสออกมาจากภายในแผ่ออกไปภายนอกตามทิศที่กำหนดความว่างขอให้จับสังเกตด้วยว่าในความเวงว่างอย่างไม่มีประมาณที่ปรากฏนั้นมีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ตรงกลางหรือไม่หากปล่อยให้จิตใจถลายไปตามความเวงว่างหรือเรื่อยเลื่อนไปเลื่อนมาในตาลุก ป, ปลิกอย่างนั้นไม่ถือว่ากาลังฝึก รู้ช่องว่างระดับนี้ที่ถูกจิตต้องตั้งมั่นตรงกลางแล้วก็สามารถรู้ความเวิ้งว้างโดยปราศจากอาการเคลื่อนได้นานจึงถือว่าสำเร็จบางคนอาจจะถูกอากาศมืดที่เต็มไปด้วยดวงดาวดูดเข้าหาและเหมือนล่องลอยผ่านอาวกาศนั้นไปเรื่อยก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของจิต ที่ล่อให้หลงจากความตั้งมั่นรู้อาการให้กำหนดว่าจิตจะสำแดงอาการใดเราไม่สนใจแต่จะหยุดอยู่กับสติรู้อันเป็นกลางเท่านั้นหากหยุดได้ถูกต้องจะเหมือนแรงดึงดูดให้ลอยเคลื่อนไปข้างหน้ายุติลงและกลับรู้ขอบเขตความว่างด้วยความผองใสตั้งมั่นของจิตแทน ทั้งสองข้อและข้อสามนี้ถ้าจิตตั้งมั่นกับที่รู้ช่องว่างอันบริสุทธิ์ได้คมชัดก็ขอให้สังเกตว่าอาจจะปรากฏปิติและสุขอย่างล้นพ้นประกอบอยู่ขอให้สังเกตว่าในความปิติและสุขอันตั้งมั่นนั้นมีสภาพรู้เป็นผู้ดูอยู่โดยสภาพรู้ดังกล่าว หาได้อาศัยที่ใดๆของช่องว่างเป็นที่ตั้งไม่แต่ดำรงอยู่เป็นกลางๆเมื่อมีอาการสำเนีจกันกหนดอย่างนี้ในที่สุดก็จะเหมือนแยกได้ว่าช่องว่างอันเป็นฝ่ายรูปก็ดีป ต, ติสุขอันเป็นฝ่ายนามก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูถูกเห็นไม่ใช่จิตและโดยความตรหนักทราบชัดนั้นในที่สุดจิตก็จะมีสภาพสมบริสุทธ เป็นเอกเทศจากช่องว่างและเปติสุขหากสามารถรักษาไว้ได้ตรงนั้นถือว่าเป็นวิญญาณกสินอันเป็นกสินที่ก้าวล่วงอากาศกสินเมนืมอชั้นขึ้นมาระดับหนึ่งความรู้ในส่วนนี้ขอให้อ่านเก็บไว้เฉยๆก่อนถ้าไม่เข้าใจย่อหน้าข้างบนกล่าวถึงอะไรก็อย่าเพิ่มสนใจฝึกวิธีฝึก อากาศกสินชั้นสูงการฝึกข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของกสินช่องว่างคือให้ก้าวล่วงขอบเขตของกสินยกระดับขึ้นไปสู่ความเป็นอยู่ขอภัยนะคะยกระดับขึ้นไปสู่ความเป็นอรูปฌานขั้นแรกที่เรียกว่าอากาสานันใจยตนะก่อนอื่นขอให้สังเกตว่าขนาดของช่องว่างเปลี่ยนไปขอบเขตความรู้ก็เปลี่ยนตามเมื่อฝึกข้อ ย, ย่อยได้แล้ว เราเก็จะตระหนักว่าตัวรู้ไม่ได้มีขนาดแต่อย่างใดยังตั้งอยู่ตรงกลางๆปัญญาเห็นความจริงตามสภาพนี้จะทำให้ขยับความก้าวหน้าขึ้นสู่อากาศกรสินชั้นสูงได้อย่างรวดเร็วตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นแนวอันกระทัดรัศมีใจความว่าเพราะร่วมความหมาย รู้ทางรูปเสียโดยประการทั้งปวงเพราะความหมายรู้ในการกระทบทางใจทั้งหลายดับไปเพราะไม่กระทําไว้ในใจซึ่งสภาวะอันต่างจากอากาศว่างเธอกำหนดอยู่ว่าอากาศไม่มีที่สุดย่อมมรุอากาสานัญจายตนะอยู่ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ประทานไว้นี้อาจแจกแจงอธิบายได้เป็นข้อๆโดย ขอให้ทราบว่าไม่ไม่ใช่ลำดับขั้นการปฏิบัติอย่างที่ผ่านผ่านมาเพราะทุกข้อต้องประชุมพร้อมอยู่ด้วยกันในคราวเดียวการอธิบายต่อไปนี้จึงพูดถึงแง่มุมต่างๆของจิตดวงเดียวอันเดียวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหนึ่งเลิกสนใจความว่างอันประมาณขอบเขตด้วยวัตถุและทิศทางทั้งปวงดังได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า อากาศธาตุก็จัดเป็นรูปอย่างหนึง่งราบใดที่กำหนดขอบเขตได้ด้วยวัตถุคือดินน้ำไฟลมจะเป็นในกายก็ดีนอกกายก็ดีก็นับว่าเป็นการจำรูปทั้งสิ้นสังเกตง่ายๆว่าจิตยหยุดอยู่กับที่ไม่ส่งออกไปทางทิศใดๆไม่สำคัญว่านี่ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแต่อย่างใดทั้งสิ้นกำลังจิตที่มีจะรั้งอยู่กับนามธรรมคือ วางแบบอากาศอย่างไร้ขอบเขตไร้ทิศทางอันใดทั้งสิ้นข้อ 2. วางจิตให้พ้นจากความกระทบแม้ทางนามธรรมาเมื่อฝึกอากาศเกสินระดับต้นและระดับกลางมากพอก็จะเกิดการรวมศูนย์ตรงจุดเดียวกับสติรู้เมื่อวางอารมณ์ให้อยู่ในสภาพสุญญากาศปราศจากสิ่งใดแผ้วพานแม้ความคิดหรืออารมณ์สุขทุกข์ ก็ทะลวงผ่านเขตสุญญากาศเข้ามาถึงจิตไม่ได้ตลอดจนกระทั่งความจงใจที่จะให้จิตดำรงสภาพนั้นก็แผ่วเหมือนไม่มีคล้ายจิตรักษาจิตของเขาเองไว้เสมอกับสุญญากาศที่เกิดภายในอยู่นั่นเองข้อ3กํกำหนดรู้ในเสมอว่างจากปราศจากประมาณเมื่อชัด ว่ารู้ออกมาจากอกเหมือนกลกลวงว่างๆหายไปในที่นั้นก็รักษาความรู้ช่องว่างภายในแบบเปิดไม่มีจำกัดเอาไว้ไม่กำหนดตําแหน่งว่าตั้งอยู่ตรงไหนคือรู้อยู่ตรงไหนก็ให้ช่องว่างตั้งอยู่ตรงนั้นเสมอกันอย่างประศจากขอบเขตด้วยง่ายมุมหลักทั้งสามข้อข้างต้น คือปราศจากความหมายรู้รูปปราศจากสิ่งกระทบจิตและปล่อยให้รู้เสมอกันว่าอย่างไรประมาณในที่สุดก็จะเกิดปรากฏการตามธรรมชาติของจิตเองบางคนอาจรู้สึกหลุดล็อกจากความยึดติดสัมพันธ์กับมิติหยากหรือเหมือนหายตัวฉับพลันแบบล่องหนสู่มิติว่างอันมีความกว้างยาวลึก เ่าห้องแห่งมหาจั ก, กรวาลประสบการณ์ครั้งแรกที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้นั้นไม่มีใครสามารถบังคับหรือจงใจให้เป็นไปได้เนื่องจากยังไม่เคยรู้ทางและเป็นสภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทุกสถานภาพที่เคยรู้จักกันมาก่อนชั่วชีวิตต่อเมื่อหมันทำเหตุบ่อยๆเข้าจิต ก, ก็จะปลดพันธนาการความผูกรังอยู่กับกาย เข้ารู้เสมออากาศอย่างสมบูรณ์และหากมันฝึกฝนให้ต่อเนื่องก็จะรู้ทางเองว่ากำหนดอย่างไรมีกำลังจิตแค่ไหนสามารถเข้าสู่อากาศนันจายตนะได้อีกขออภัยนะคะสามารถเข้าสู่อากาศสารนัญจายตนะได้อีกและอีกโดยทั่วไปถ้า ใช้ชีวิตในเมืองยังกินยังนอนยังเที่ยวได้อย่างราชายังต้องคลุกคลีกับหมู่คนเป็นปกติจิตจะขาดความวิเวกพอที่จะดิ่งลงถึงฌานขั้นอากาสานัญจาตนะโดยมากต้องอยู่ในช่วงปลีวิเวกกินน้อยนอนน้อยห่างจากผู้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆความพร้่งพร้อมทั้งกำลังจิต และกำลังวิเวกจึงประชุมกันเกื้อกูลให้เกิดฌานระดับนี้ได้แต่ก็มีอยู่จริงที่นักภาวนากลางปรุงสามารถถึงอรูปฌานซึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนกันคือเอาแน่นอนไม่ได้สามวันดีสี่วันค่ายหรือปีหนึ่งฟลุกขนเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ฝึกระดับสูงด้วยความคาดหมายใดๆเพราะ ถ้าตั้งความคาดหมายหรือมีโลภะเป็นตัวตั้งอยากได้อย่างที่เคยได้ก็จะเสียเวลาเข้นกันเปล่าๆไม่สนใจไปจ่ออยู่กับความเกิดดับเพื่อพ้นทุกข์กันสมาธิขอเพียงฝึกจนจิตตั้งงั่นของสายไร้ความฟุง้งไร้ความกำหนัดอินดีรบกวนใจก็ เอามาใช้ประกอบกับวิปัสนาได้เต็มภาคภูมิแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำให้ถึงขั้นอรูปฌานให้ถือคติถ้าได้ก็ดีถ้ามีก็เอาไวแ้แม่นแม่นที่ใช้อากาศกะสินรู้ภายในสำหรับผู้ที่กำลังฝึกอากาศกะสินตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจะเห็นว่าจิตมีกำลังมากพอจะหน่วงช่องว่างขอบเขตหนึ่งไว้ได้นานตามปรารถนา ความสามารถนี้เองที่จะนำมาประยุกใช้ได้กับการพิจารณาอาการ32เอาเป็นว่าเมื่อใดจิตหน่วงความว่างได้นานแม้อาจจะยังอาศัยกรอบมือเป็นเครื่องช่วยรู้ก็ให้ลองดูได้วิธีมีนิดเดียวเพราะเหมือนตอนที่เราได้อุปกรณ์วิเศษไว้ใช้แล้ว ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์นั่นแหละที่มีหลายข้อหน่อยแต่พออยู่ในมือแล้วก็เอามาใช้ได้สะดวกวิธีแรกจะนั่งหรือนอนก็ได้ตามสะดวกให้ปิดตาขบฟันหน่อยอย่าให้ลิ้นชนเพดานปากจะรู้สึกถึงโพรงว่างในปากให้ล็อกไว้อย่างนั้น สักพักก็จะเห็นว่าความว่างทั้งโลรงกะโลกอย่าเอาความรู้ทางโลกใดๆมาอ้างอิงโดยเฉพาะท่านที่เป็นแพทย์และพยาบาลขอให้อยู่กับมิติทางการรับรู้ของจิตจิตเขาจะเห็นอะไรเป็นเรื่องของเขาแรกๆจะบูดเบี้ยวผิดเพี้ยนจากความจริง ทั้งตำแหน่งและรูปพันธสันฐานอย่างไรไม่ต้องสนใจเรามาเ่านั้นมีหน้าที่ล็อกการรู้ระหว่างให้ไวเสมอกับขอบเขตของช่องปากหรือขอบเขตของตลกเท่านั้นพอเมื่อรู้ความว่างอันเป็นไปภายในกายได้แล้วจากนั้นพอทำความรู้ตัวตามปกติเช่นขณะเดินจงกรมก็จะเหมือนเห็นโพรงว่างอันเป็นภายใน นาไปสู่การพิจารณาว่ากายศักตะว่าปรากฏให้รู้ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่อย่างใดวิธีที่สองจะนั่งหรือนอนก็ตามสะดวกเช่นกันให้กำหนดวงแหวนแห่งความว่างขึ้นมารอบกายเอาในระดับอกค่กรถ้ายังไม่แข็งแรงจะประกอบมือทำให้จิตกำหนดแกนกลางขอภัยค่ะกาหนด แกนอ้างอิงก็ได้คือรู้ช่องว่างในกรอบมือตามปกติแล้วขยายขอบเขตออกเป็นห่วงคล้องกายในระดับเดียวกับกรอบมือเมื่อเห็นเหมือนลำตัวเราสอดอยู่ในระหว่างช่องว่างในวงแขะในวงแหวนจิตจะรู้ชัดถึงความว่างจิตจะรู้ชัดความปรากฏแห่งวงแหวนนั้น ให้เลื่อนวงแหวนลงไปทางปลายเท้าก่อนสังเกตอย่าให้ลูกในตาเคลื่อนตามการเลื่อนจะต้องเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตประการเดียวเมื่อวงแหวนลงสุดถึงเท้าแล้วให้เลื่อนกลับขึ้นมาถึงอกแล้วก็ขยับต่อขึ้นไปจนสุดที่ศีรษะจากนั้นก็ลากวงแหวนลงไปที่ปลายเท้าอีกและวกกลับขึ้นมาที่ศีรษะอีก ซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้ด้วยความไม่ลืมความปรากฏแห่งกายที่อยู่ในท่านั่งหรือนอนประการแรกจะเห็นจิตตั้งมั่นและว่างใสประการต่อมาจะเห็นคล้ายรอบกายถูกขจัดเมฆหมอกและฝ้ามัวต่างๆออกไปกระทั่งถึงจุดหนึ่งเหมือนจิตรู้เห็นได้แจ่มชัดว่าภายในกายบรรจุอยู่ด้วยสิ่งใดบ้าง ซึ่งเมื่อประกอบกันกับลักษณะจิตที่พิจารณาอาการสามสบสองมาก่อนก็ง่ายที่จะเห็นอย่างที่พระพุทธองค์วางแนวไว้ให้เหมือนให้เห็นก็คือดูกราฟิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนไถยมีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสาร บุรุษผู้มีในตาดีแก้ไถ่นั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าว เ, เปลือกนี้ถูกเขียวนี้ถูกเหลืองนี้นานี้ข้าวสารฉันใดทิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกมันสมองม้ามหัวใจตับผังผืตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสร็หนองเลือดเงือมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะการรู้ปฏิกูลโดยความเป็นวิปัสสนา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 คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอันนี้แปลว่าเราดูปฏิกูลในกายโดยความเป็นของเกิดดับโดยความเป็นของอื่นไม่ใช่ตัวตนก็ได้เหมือนกับเมื่อครั้งดูลมหายใจอุริยาบทและความเคลื่อนไหวปริ่ย่อยต่างๆนั่นเองอยางเช่นคลาบใครผิวหนังที่ตาที่หัวตา ที่ฟันในช่องปากเราใช้วิธีคิดเอาก็ได้ว่าเราล้างไปแล้วมันก็ดีมันก็มาอีกถ้าความคิดนั้นมาบวกกับสติที่เกาะกายหรือพนวกกับคุณภาพจิตที่สองรู้ผ่านแสงสว่างหรือช่องว่างก็อาจสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวของปฏิกูลเป็นจุดจุดได้ชัดอันนี้ก็แล้วแต่คน ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันอย่าพยายามลอกเรียนประสบการณ์ที่อาจได้ยินได้ฟังคนอื่นเล่าขอเพียงประกอบเหตุทั้งหมดที่กล่าวแล้วในบทนี้ก็จะดีเองท่องไว้ว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าได้แค่ไหนจะเอาเกินกว่านั้นให้นับว่าเป็นการส่งเสริมกิเลสแหล